ยังที่เหลือเราไม่ได้ไปบินาบาัิเราก็ศึกษาธรรมะมันต่อเนะพราะการศึกษาเปเรื่องจำเป็นนะเพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็นำเอาเรื่องที่มันเป็นชีวิตของเราชีวิตจริงของเรานะมาศึกษาโดยที่ไม่ ต้องอาศัยต ำ, ตำลบตำราอะไรมากชีวิตจริ ง, งของเราเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นเราก็เอานั้นมาศึกษามาวิเคราะห์วิจัยมาทําความเข้าใจเพื่อเราจะได้นําไปไปฏิบัตินะคงจริงมันก็เรื่องการศึกษาทั้งหมดก็เกี่ยวข้องโดยชีวิตทั้งนั้นแต่อนันไหนมันเป็นจำตอนจำเป็นก่อนจําเป็นหลังนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมาศึกษากัน <c oughs> นี่เพื่อที่ให้เราได้ประสบกับความสุขความสงบที่แท้จริงของชีวิตซึ่งเราก็เป็นทุกข์เดือดร้อนมาหลายภพหลายชาติไหลากับหลายกันแล้วแล้วเราจะทุกข์ต่อไปอีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกข์เพราะความไม่รู้ทุกอวิชชาเนี่ยนะก็ทําให้เราต้องเดือดร้อนในภายหลัง ทีนี้เราก็ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยจำเพราะว่าเราไม่มีการเรียนรู้บทเรียนต่างๆเราก็ต้องวกกลับไปกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในซ้ซซซซําๆำากในทุกเก่าๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเรานะสิ่งที่เกิดขึ้นเฉ่เมันก็ทุกข์นั่นแหละสุขมันก็เยเกิดอะไรหรอก ทุกเทนั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปมันตัดไม่มีทุกแล้วเลียไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกขอย่างไรเป็นเรื่องสําคัญพระศาสด า, าตรัสไว้ถึงต้นเหตุของมันทุกนึนเป็นผลทุกสุดมันเป็นผลแต่ผลนี้ก็มาจากเหตุมันก็เราก็ต้องมาศึกษาที่เหตุ ทีนี้ลองพิจารณาดูในะชีวิตประจําวันเนี่ยเราทุกข์ด้วยเรื่องอะไรหลักๆทุกข์ด้วยเรื่องความโลภทุกข์ด้วยเรื่องความโกรธทุกข์ด้วยเรื่องความหลงก็สามเรื่องหลักๆนั่นแหละมันทําให้เราทุกข์มาตลอดแล้วก็จะทุกข์ต่อไปอีกมากมายนะ ดัง น, นเองก็จึงอยากจะให้ศึกษาเรื่องเหตุของทุกข์นี้เป็นประจําแล้วลองแก้ไขมันไปเรื่อยๆนะฮะแต่ส่วนจะแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับใจสติปัญญาและภูมิธรรมภูมิปัญญาของเรานะแต่าหากว่าสติปัญญาของเราไม่เข้มแข็งภูมิธรรมภูมิปัญญาของเราไม่เข้มแข็งเราไม่เข้าถึงเหตุที่แท้จริงของทุกข์ เราก็ต้องรับผลของมันคือความเดือดร้อนความทุกข์อยู่ลํำไปในการศึกษาปฏิบัติธรรมที่มันจะเข้าถึงเหตุและแก้ไขเหตุของทุกข์ได้อย่างจริงจังแล้วก็ถูกเป้าหมายเนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งคำสอนของพระสัสดาท่านตรัสไว้หมดแล้วมันก็เลยมาเหลืออยู่ที่ว่าเราจะทางไงให้มันถูกนี่คือเรามาศึกษากัน ถ้าหากว่าทำถูกมันก็สบายขึ้นเรื่อยๆไม่หนักหน่วงทวงทับในเรื่องความเหตุของมันที่สำคัญคือความโลภความโลภแต่ความโลภนี่มีหลายชื่อโลภะําเป็นชื่อเรียกว่าตัณหาบ้างเรียกว่าราคะบ้างแล้วแต่จะใช้กับกลุ่มไหนใช้กลุ่มกับชาวบ้านคือโลภะ ใช้กุบกลุ่มนักบวชก็ใช่ว่าราคะแต่ว่าสมุทัยที่ตัวแท้ของมันก็คือตัวตันหานั่นเองที่อยู่เบื้องหลังทั้งสองตัวเนี่ยโลภะนี่หมายถึงว่า <c oughs> รวมกันอยากได้ในวัตถุด้วย อ, อยากได้ในวัตถุเพื่อตอบสนองความอยากทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็เรื่อโลภะคือความอยากได้ใครมีความอยากมีอยากเป็นรวมทั้งล า, าบยศเสนเสริญสุขเนี่ยเป็นความอยากของชาวบ้านซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากแต่เราก็ต้องทุกข์กับมันอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาแล้วเราก็ไม่เคยเจ็บเคยจำมันก็เป็นบทเรียนสอนเราแล้ ว, ลวสอนรอีก ในการแสดงรายละเอียดหรือการชี้นาของพระของนักบวชของผู้สอนของครูบาอาจารย์เองก็ไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของสาเหตุของโลภะหรือลาัะแต่บางทีก็ชี้แจงได้ละเอียดอยู่ว่ามันสาเหตุมาจากโลภะโทสะโมหะแต่ว่าไม่ได้แจงลงในพฤติกรรมของความเป็นจริงจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยความที่จะเลี่ยงหลบ ไม่เผชิญหน้ากับความจริงอันนี้เราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นในส่วนกับผมมัตามาเองก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ศึกษาจากชีวิตตัวเองก่อนว่าเราทุกข์เพราะอะไระทุกข์เพราะความอยากความโลภนีน่ความอยากความโลภหรือตัญหาราคาเนี่ยทำไมมันถึงทําให้เราทุกข์าล้วก็มาวิเคราะห์กัน เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นพื้นฐานของชีวิตเรียกว่าสัญชาตญาณอย่างความโลภหรือความอยากที่มันจะเกิดเนี่ยมันก็เกิดอาศัยธรรมชาติมาก่อนเช่นเวลาเราหิวหิวข้าวอ่มันก็เกิดความอยากขึ้นมาแต่การตอบสนองต่อธรมธรมะหรือธรรมชาติที่มันต้องการเนี่ยเราไม่เรียกว่าความอยากเราไม่เรียกว่าัญหา แต่เราเรียกว่าสัญชตาตญาณซึ่งเป็นธรรมเบื้องต้นธรรมเบื้องต่ำแล้วเราหิวเราก็แสวงหาอาหารไม่ว่าคนหรืสัตว์สัญชตาตญาณมันจะบอกและการแสวงหาอาหารมาบําบัด <c oughs> ความหิวเนี่ย <c oughs> เราไม่เรียกว่าเป็นโลภหรือมาเรียกว่าเป็นดันหา แต่มันเป็นธรรมมันหนึ่งนะเป็นธรรมมันหนึ่งแต่ทีนี้มันความไม่ได้สดับไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความอยากหรือความต้องการทางสัญชตาตญาณโดยแยบคายนี่แหละมันก็เลยทาให้ตัวสัญชตาตญาณเนี่ยมันพัฒนาตัวเองเป็นความอยาก เช่นว่าสัญชาตญาณเราต้องกมันหิวแล้วเรากินอะไรเข้าไปตอบสนองเข้าไปให้พอดีหรืออิ่มแล้วเนี่ย <c oughs> ความหิวก็หายไปอ่าความหิวก็หายไปเช่นว่าเราหิวแ <c oughs> เราก็าจะทานข้าวหรือทานน้ำเข้าไปแก้ไขและข้าวน้ำนี้ไม่ว่าจะข้าวน้านันจะเป็นของ เขาน้ำล้วนๆหรือเขาน้ำปรุงแต่งก็ตามก็ทําให้หายให้ใหิวได้แต่ที่กิเลสหรื อ, อความอยากมันแทรกตอนไหนแทรกตอนที่การกระทบลิ้นกระทบรถพอลิ้นกระทบรถแล้วเราไม่ได้พิจารณาว่าอันนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติอาหารก็เป็นธาตุธรรมชาติหนึง่ง แล้วก็ร่างกายก็เป็นธรรมธาตุธรรมชาติอันหนึง่งเมื่อธาตุทั้งสองมาชนกันมันก็จะเชื่อมเข้ากันด้วยเชื่อมธาตุภายนอกภายในเข้ากันนี่เรียกว่าอาส า, า, า, า, าธาคือรสชาติอาศะธาคือรสชาตินี่ถ้าไม่มีอาสาธาตเนี่ยไอธาตุทั้งสองมันก็เชื่อมก็ไม่ติด mm. เช่นเราไม่อร่อยไม่กินข้าวไม่ได้เนี่ยนั่นก็หมาเความมีปัญหาละมันก็เราเชื่อมปูน เอาปูนมาเชื่อมอิติดกันเอาตะกั่วมาเชื่อมโลหะติดกันหรือแม้กระทั่งอาหารมีน้ำเชื่อมอเราก็ไม่ได้กินเฉพาะลว้ลวนๆข้างมันไม่ได้กินขนมจีนเฉยๆก็ต้องมีน้ำน้ำจีนเป็นน้ำเชื่อมอไม่ได้กินขนมนมเนยเฉยๆก็มีน้ำนกะทิเชื่อมแล้ว ไ, ไม่เป็นธรรมชาติที่ ที่รู้จักกันดีอ่ะแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เกิดวิปั ส, สนาเราก็ไม่รู้เท่าทันของตัวอาสาทะเมื่อไม่รู้เท่าทันปั๊บตัวอาสาทะนี้มันก็ไปแทนที่มันจะเป็นเพียงน้ํำหล่อเลี้ยงเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างธาตุสีภายนอกกับภายในเท่านั้นแต่โดยความที่เราไม่แ ย, ยบคลายไม่รู้เท่าทันเราก็ไปสําคัญมัตหมายอาสาทะนี่เป็นเป็นเรา เนี่ยที่มันมันยากตรงนี้เองเป็นเดาเพราะว่าเราไปสำคัญวัตหมายตัวอาสาทาที่มันหลั่งออกมาจากลิ้นจากปากของเราเนี่เป็นตัวเชื่อมต่อแต่เราไปสำคัญว่านั้นคือความสุขความอริยอรอยความพอใจอมันก็เลยเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดความพอใจ แอัไหนที่เป็นสิ่งเชื่อมต่อที่ไม่ถูกลิ้นถูกน้ำย่อยก็เกิดความไม่พอใจอเช่นเกลือหรือพริกเงี้ยถ้าหากามันมากก็ทําให้เรารู้สึกไม่ไม่อยากจะกินแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ําตาลหรือเป็นของหวานของมันก็ทําให้ธาตุของเรารับได้ ทีนี้เมื่อตัวอาสาท่าเนเกิดทำให้เกิดความพอใจไม่พอใจอันไหนที่มันถูกลิ้นถูกใจของเราเขาเรียกว่าพอใจอันหนที่ไม่ถูกเราก็ไม่ไม่พอใจปฏิเสธนะอันนี้คือที่ไปที่มาของคําว่าอาสวัคนะคืออาสาท่นั่นเองมีความรสชาติอริยอร่อย นี้พอเราไม่เท่าทันไม่พิจารณาว่า น, นี้เป็นทาตามธรรมชาติไม่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเราบริโภคอาหารหรือฉันอาหารถ้าสีเข้าไปเพียงเพื่อเพียงเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อเพื่อประดับไม่ใช่ตกแต่งไม่ใช่บำบุงบำเลอแต่เพื่อการให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้และเพื่อบำบัดทุกขเวทนาต่างๆนี้อปเป้าหมายอยู่แค่นี้ แต่ทีนี้เราไม่ได้พิจรารณาไม่พิจรารณาก็เลยควาหมายของการพิจรารณาก็ไม่เกิดความหมายเราไม่ได้กินดยเพื่อการยั่งชีพหรือเพื่อการขจัดความหิวแต่เรากินเพื่อการประดับการตกแต่งการบํารุงบาเรอมันก็เลยตัวอาสะวะมันก็เลยเกิดตัวความพอใจนั่นเองที่จะทําให้อย่งไรพอใจมากพอใจน้อย ถ้ามีอาสรธาตุมันแรงก็พอใจมากขึ้นอิสราตุมันเบาก็พอใจปานกลาอาสระอิสธาตุมันน้อยมากมันก็ไม่ไม่พอไม่อยากไม่พอใจนะเช่นเราทานข้าวเปล่าก็มีอิสรธาตุน้อยน้ําเปล่านี่มีอาสระาตุน้อยเยมื่ออิสระาตุน้อยมันก็ไม่เป็นการกระตุ้นและดึงดูดอิสรธาตุของเรา คือรสชาติต่างๆน้ำย่อยอาจจะหลังช้าหรือหรือเราทานในช่วงที่ไม่หิวนี่เงียน้ำย่อยก็หลังชา้าแต่ถ้าเราทานที่ช่วงที่หิวน้ำย่อยมันหลังมากมันก็ทําให้เราทานอะไรก็ได้มันก็เข้าไปบำบัดของหิวนี่เป็นหน้าที่ของธรรมชาติคือถ้ามันต้องการแล้วเราตอบสนองเนี่ยเรามันทําหน้าที่ แต่ถ้าร่างกายไม่ต้องการเราไปตอบสนองเลยมันก็ผิดหน้าที่ของมันตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดแยบขลายมากแต่ว่าเราไม่ค่อยพิจารณานะไม่ค่อยพิจารณาถ้าพิจารณาบางทีมันจะหมดความอร่อยไปเลยพิจารณาเคี้ยวเฉยๆกินเฉยๆไม่มีอาสาทะอาส า, ามันเบาถึงแม้อาหารนั้นจะมีรสชาติปรุงก็ตามถ้าไม่มี อาศัธาทางใจเข้าไปร่วมอาศัธามีสองส่วนอาศัธาทางกายทางรูปกับอาศัธาทางนามอาศัาทางรูปก็คือรสชาติที่กระตุน้นทางรูปโดยธรรมชาติมันก็เป็นธรรมของมันแต่ด้วยความไม่พิจารณาว่ารูปสัตรวรูปอาหารรูปรสกลิ่นอะไรเนี่ยเป็นสัตรวรูปเราไปสำคัญว่ามันเป็นดาว ก็เลยเกิดความสําคัญมันหมายผิดตัว น, นั้นเมื่อสําคัญผิดมันก็อสนะัทนั้นมันก็เลยไปครอบงําส่วนอสัทาที่เป็นนามด้วยก็คือทําให้อยากทําให้ต้องการทําให้เพิ่มจํานวนอดีตอร่อยมากขึ้นนะมันก็ทานได้มากทานได้มากก็ตัวอสัทธาเป็นตัวดึงดูดจน หิวมันหายแล้วก็ยังไม่พอมันก็จะอิ่มจนเกินเพราะตัวศรัามันล่อเข้าไปเพราะอาศรานั้นทางนามเข้าไปกระตุ้นเราเรียกว่าตันหาใช่ตันหาแล้วก็ในส่วนของตันหานี่มันก็มีพลังมากขึ้นเพราะเราตอบสนองมันเพราะว่าราคาตันหาเนี่ยมันมีพลังเพราะมันขาดการพิจารณาขาดการเฝ้าดูอย่างถูกต้อง มันก็เพิ่มอำนาจและกำลังมันไปเรื่อยๆทําให้สัญชาตญาณเพื่อตอบสนองความหิวตามธรรมชาติมันก็เกิดสัญชาตญาณที่ต้องการมากขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสัญชาตญาณมันก็เลยไม่จบแค่นั้นมันก็พัฒนาตัวมันเป็นความอยากมากจํานวนเกินเกินจําเป็นไอ้ตัวที่เกินจําเป็นเนี่ยทั้งๆที่หิวหายแล้วเนี่แต่เราก็ความอยากมันไม่หายมันก็ไปเพิ่มจํานวนความอยากขึ้น และความหิวที่เป็นธรรมชาติก็หายไปแต่ความอยากมาทำหน้าที่แทนเพราะมีส่วนของนามเข้าไปร่วมนะอันนี้คือความละเอียดแยบคายของพุทธธรรมแต่เรามักจะไม่ค่อยพิจารณาเพราะอะไรเพราะความต้องการความอยากของเราเนี่ยมันถูกสั่งสมมานานจนมีพลังมีพลังมากมันก็เข้าไปครอบงำจิต จิตก็อ่อนล้าเมื่อลดอาหารถูกลิ้นเราก็จิตของเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเหตุเครื่องผลที่ว่าต้องตอบสนองแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดที่นึ่งต้องทําให้ความเข้าใจของเราเนี่ยไม่ชัดเจนในเรื่องของการอตอบสนองของความหิวและสันชตัตจายานเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรให้มัน พอดีในจุดเนี้อันนั้นก็คือเราจะต้องศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนาให้เข้าใจจนกระทั่งว่าจิตของเราเนี่เข้มแข็งกว่าเมื่อจิตของเราเข้มแข็งแล้วมันจะควบคุมความพอดีของฉันชาตติยานไม่ปล่อยให้อาสาทานี่ไปครอบงำจิตเพราะรู้เท่าทันถึงถ้าหากว่าเราไม่มีความเข้มแข็งพอทางด้านวิปัสสนา เราจะพยายามเท่าไรเท่าไหร่นี่มันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าอำนาจของสันติญาณด้วยความตัณหามันมันแรงกว่านะเปิดไว้งั้นแหละมันแรงกว่าเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรก็ต้องศึกษาปฏิบัติที่ว่าปฏิบัติทามันรู้ช้าก็ตรงนี้แหละที่ต้องต่อสู้กับความอยากของตัวเอง แต่ว่าตัวสัญชตาตญาณเนี่ยมันไม่ต้องต่อสู้เพียงแต่ตอบสนองมันก็หายนะมันก็หายแต่ความอยากมันไม่หายเมื่อความอยากมันหายมันก็จะต้องปรุงแต่งเพิ่มจำนวนของอาสาท า, ากินข้าวเปล่ามันอร่อยแค่นี้อิ่มละไอ้ถ้ามีอะไรที่มันมาผสมมีรสชาติเค็มๆมันๆหวาน โย่ เ, เปลี่ยวเข้าไปก็รู้สึกว่ามันก็ก็กไปตุ่นตอมอสสาธาทางกายของเราจิตก็ไม่รู้เท่าทันตอมอสสาธาทางกายก็เข้าไปสําคัญมันหมายว่าเป็นอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นมาแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีการปรุงนะซึ่งตรงเนี้มันปฏิบัติได้ยากมากเพราะมันเป็นต้นต่อของการเกิดของเรามาเราเกิดมาได้ก็เพราะราคาตันหานี่แหละ ถ้าเราไม่มีตันหาละค่ของพ่อแม่เราก็ไม่ได้เกิดอีกเพราะมันเป็นชีวิตของเราทีเดียวเมื่อสิ่งนี้มันเป็นชีวิตก่อกาเนิดชีวิตของเรามาเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาอย่างมากใช้ความพยายามอย่างมากที่จะรู้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนะค้นพบกฎเกณฑ์อันนี้แล้วมาบอกบอกแล้วว่าสาวกผู้ที่มีความศรัทธาและปัญญาก็ได้พยายามทดสอบทดลองก็ได้ผลเหมือนพระองค์ท่าน นั่นก็คือตัวสามารถควบคุมสัญชตาตญาณไม่ให้พัฒนาเป็นตัณหาไดนะ้ตั้งแต่ระดับต่ำสุดถึงระดับสูงสุดจนกระทั่งพัฒนาอำนาจของความอยากสัญชตาตญาณเนี่ยให้มันเป็นปัญญายาณได้เมื่อได้เกิดปัญญายาณ น, นั่นแหละเราถึงจะมีพลังอำนาจในการต่อรองกับความอยากได้ แต่หากว่าปัญญาญาณของเรายังไม่เข้มแข็งเนี่ยเราต่อรองได้บ้างไม่ได้บ้างตอนไหนที่เรามีสติก็ต่อรองได้ตอนไหนขาดสติเพราะความรุนแรงของรสชาติเราก็ลืมสติอีกก็สลับสับเปลี่ยนกันอยู่เนี่ยแต่บทพิจารณาทั้งสามบทมันก็เป็นเพียงแต่รูปแบบเราก็ท่องไว้พิจารณาทุกวันแต่ว่าเราก็ไม่เคยใช้มันเป็นเรื่องเป็นราวหรอกแต่ทําเป็นพิธีเนี่ยได้ทําเป็นพิธี ซึ่งเรื่องนี้ต้องต้องเข้าใจอย่างจริงจังนะเพราะงั้นไม่เข้าใจอย่างจริงจังเราก็จะไม่เห็นความสําคัญของปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันไม่เห็นมาได้อะไรปฏิบัติแล้วมไม่เห็นข้าวหน้าก็แน่นอนะเราไม่ได้นํามาใช้อะมันจะก้าวหน้าอย่างไรมันจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไรเหมือนเราหาเงินหาหาหาไว้เราไม่ค่อยนําเงินนั้นมาใช้เหมือนเกษตรถุ่นเก่าๆที่นําทรัพย์สินที่หามาได้ไปฝังไปฝากไปอะไรไว้ตายไปก็ไปเป็นเปรก วองก็ทุกยากลำบากอยู่ยงี้เนี่ยไม่ยอมอเพราะพระํำคัญมันหมายว่ารูปเป็นตัวตนก็เลยไปเก็บกักเอาไว้เราเมื่อการปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนาจเจริญสติจเจริญปัญญาแต่พอถึงเวลาการการะทำเกิดขึ้นเรากลับไม่นำมาใช้หรือนำมาใช้น้อยมากเพราะอะไรเพราะสู้อำนาจของความอยากไม่ได้ด้เบื้องต้นที่สุดเราจะต้องศึกษา ที่ใช้คำว่าศีลสิกขาจิตตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาในการศึกษาเบื้องต้นในเรื่องของศีลเนี่ยคือศึกษาเรื่องของกายเรื่องของวาจาเรื่องของกายก็มีรายละเอียดดังกล่าวแล้วว่ากายของเรามันจะมีระเบียบภายนอกและระเบียบภายในระเบียบภายนอกก็หมายถึงว่าบริหารธรรมชาติธาตุสีให้ไม่ให้มัน อาพาธไม่ให้มันเจ็บป่วยไม่ให้มันเป็นเหตุของความทุกข์เพราะความอาพาธเจ็บป่วยกันขึ้นเพราะว่าธรรมชาติท่านศีลที่จัดเข้าไปมันไม่เป็นระเบียบเพราะมีตัวอากเข้าไปทำหน้าที่แทนแต่ถ้าหากว่าความอยากได้ถูกเปลี่ยนเป็นตัวศรัทธาและปัญญาเมื่อใดนะตัวศีลก็จะค่อยปรากฏขึ้นศีล น, นี่แปลว่าความเรียบร้อยเพราะว่า ปกติแปลว่าเป็นระเบียบนะก็บัญญัติเอาไว้เพื่อเรามาจัดกานกายกับใจให้ให้ลงตัวกันนั่นเองเรียกว่าศีลต้องศึกษาแต่พอเรามาศึกษาแบบไม่แยบคลายหรือไม่ถูกต้องเราก็ไปติดศีลในเรื่องที่มันเป็นสมมุิศนะีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยีลส็ดศีลสามร้อยทั้งที่เราก็ ทำผิดปกติของตัวเองทุกวันอ่ะปกติของตัวเองคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่เราก็ไปโลภไปโกรธไปหลงเพราะไม่รู้เท่าทันกิเล่มันก็ผิดศีลท่านนั่นแล้วโดยกำเนิดคือหมายความว่าเราเมื่อไรเราโลภเราอยากเราใคร่จริตของเราจะผิดปกติทันทีแทนที่เราจะเอาตัววิปัสนาเข้าไปสังเกตจิตเรากลับไปตามมันไป ตามความคิดนั้นไปตามความอยากนั้นไปตามความใคร่นั้นไปแล้วมันก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ย, ยิ่งตามก็เพิ่มอํานาจให้มันยิ่งตามก็เพิ่มพลังให้มันที่มันเกิดครั้งต่อไปเราเอาชนะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกิดแต่ละครั้งมันมีพลังมากขึ้นในความอยากการหาราคาเนี่ยอืแต่ว่าเกิดแต่ละครั้งถ้าเราเข้าไปดูไปศึกษาไปพิจารณาถึงที่ไปที่มาของต้นเหตุของมันเนี่ย เราก็จะเห็นต้นเหตุอำนาจมันก็จะลดลงลดลงลดลงนะแต่ส่วนใหญ่เราไปเพ่งที่ผลที่มันเกิดเราสำคัญมันหมายว่าความอยากที่ถูกตอบสนองเนี่ยมันเป็นความสุขเราไม่พิจารณาเห็นว่ามันเป็นความเปียบป่วยและอาภาษความรู้สึกหิวทางกายเนี่ยมันก็คือความเจ็บป่วยอาภาษของร่างกายเราจะต้องตอบสนองให้มันหายหิว หายหิวก็หายอาภาษ์หายโรคซึ่งโรคเหล่านี้มันเป็นโรคประจำไม่ได้รับการตอ บ, บสนองเท่ากับการเยีวยารักษาโรคนั้นหายไปทีนี้พอความอยากที่มันเกิดทางนามบ้างเมื่อมันหิวขึ้นมามันเป็นโรคขึ้นมาเราก็ไปเห็นว่ามันเป็นรสเป็นชาติที่อร่อยสิ่งที่จะเข้าไปนำ ไปสววัดเราก็ไปยึดความรู้อรรถนี้เป็นเราแทนที่เราจะนำเอาการพิจารณาเนี่ยเข้าไปรักษาเยียวยาแต่เราขาดการพิจารณาเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือเข้าใจเราก็เลยไปเห็นตัวรสชาตินีเป็นของเราเป็นเราเป็นของเรามันเมื่อสาคัญวันหมายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ใช่การเยียวยาต่อไปอีกแล้วมันจะเป็นแกนแการที่ เราไปยึดไปอยากเพิ่มจํานวนของอาสาธรมากขึ้นนั้นนั่นก็คือติดตามมันไปนีความอยากก็ไปทําลายเราต่อไปความรู้สึกในความอยากราคะตัณหาเถ้าเป็นความอาพาธความเจ็บป่วยของร่างกายเหมือนความหิวนั่นแหละแต่เราไปสําคัญความเจ็บป่วยอาพาธตรงนั้นว่าเป็นรสชาติที่พึงพึงประสงค์พึงต้องการแล้วก็ตามมันไปเราไม่เห็นว่าราคะตัณหาที่กระทบกายเหล่านี้มันเป็น ความเจ็บปวดความเจ็บป่วยเราไปเห็นว่ามันเป็นรสชาติที่พึงตอบสนองเหมือนกับความหิวนะความหิวก็ความเจ็บป่วยที่ใชชี้ค่าาประมาลาอะโลคาความหิวและความอยากเป็นโรคอย่างยิ่งเราบอกลาลาคาตัหาประมาทุกขานะความหิวความอยากก็เป็นโรคของ นะแต่เมื่อเกิดความหิวความอยากแล้วเราไปสําคัญว่ามันเป็นของอริร่อยเป็นเรามันก็ไม่เห็นเชื้อโรคอันนีนะ้ดังนั้นเองการพิจารณาก็ ค, คือการพิจารณาเห็นเชือ้ออันนี้ว่ามันเป็นโรคเมื่อเกิดขึ้นเมื่อใดจิตใจเราก็ปั่นปวนเพราะมันเข้าไปทําร้ายร่างกายแล้วจิตใจเราก็ปั่นปวนวุ่นวายอยากตอบสนองอยากติดตามนะ ซึ่งในส่วนของกายเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นตัวสุดท้ายของในส่วนของกายไม่ใช่ตัวสุดท้ายตัวของใจเป็นตัวสุดท้ายที่รับเข้ามาตัวต้นเหตุของมันก็คือตั้งแต่ตาเห็นรูปเช่นเราเห็นอาหารอาหารนี่คงจะอร่อยอาหารนั้นไม่อร่อยก็ปรุงให้มันอร่อยตาเห็นรูปเราก็ขาดสติตั้งแต่นุนแล้วอืม แล้วก็ปรุงไปให้มันอร่อยเพราะเราเป็นอย่างนั้นมาชั่วตลอดพบชาติกับกันนไม่นับไม่ได้มันก็มีพลังมาเรื่อย ๆ, ๆดังนั้นจึงยากที่จะต้านทานมันโดยขาดปัญญาการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาวิปัสสนาปัญญาเท่านั้นเพื่อที่จะมารู้เท่าทันใ้ความเจ้าความอยากอนี้ให้ได้เพราะมันเป็นเหตุให้เราต้องเวียนว้ายต่เกิดมายาวนาน ก็จึงมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพร่ะมาศึกษาแล้วก็ศึกษาไม่ถูกเหตุอีกกลายเป็นประเพณีกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นเรื่องของกิจกรรมอย่างอื่นไปซะไม่เป็นเรื่องของการเข้ามารู้ต้นเหตุของทุกข์ของความอยากเพราะความอยากก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแต่เราไปสำคัญว่ามันเป็นสุขไปสำคัญว่าความไม่อร่อยเป็นทุกข์ ความอร่อยเป็นสุขนั้นเองตรงนี้แหละก็เป็นสาเหตุที่เราไม่ได้พิจารณาขาดความแยบคาย <c oughs> นั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องแยบคายคำว่าแยบคลายคือละเอียดทีท่วนนับตั้งแต่การเห็นแยบคายการได้ยินได้ฟังโดยแยบคายไอ้ตัวแยบคลายนี่มันจะ เกิดขึ้นได้ก็อาศัยสติสัมยาเข้าไปเพราะตัวแยบคายเป็นตัวปัญญาแต่มันมีเหตุมาจากต้องมีสติสมาธิและมีสัมปชัญญะตัวแยบคายนี้ถึงจะเป็นไปได้ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าไม่มีฐานของสติสมาธิเราพยายามจะให้มันถี่ท่วนแยบคายมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นความตั้งใจเป็นความอยากความแยบคายของความอยากมันไม่ใช่ความแยบคายของความ สัจธรรมห <c oughs> ออน้ำแก้วหนึง่งอันนั้นเองเราก็จริงอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาเรื่องความแยบคายเรื่อยๆอโดยที่ให้มันเป็นนิสัยทุกคนนะมีแต่ความไม่แยบคายมาก่อนนะความหยาบความเร่าร้อนความรุน้านความ อยากได้อย่างที่เราคิดเราต้องการทุกคนเป็นมาอย่างนั้นทั้งหมดแหละแต่ทีนี้เมื่อมาฟังคําสอนของพระสัส ด, สดาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าทุกสิ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้เปลี่ยนแปลงจากความไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธาเปลี่ยนแปลงจากความไม่มีสติให้เกิดสติเปลี่ยนแปลงความไม่มีสมาธิให้เกิดสมาธิเปลี่ยนแปลงจากความไม่มีปัญญาให้เกิดปัญญาได้เนี่ย แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันยากตรงที่ว่าเราไม่รู้วิธีการเปลี่ยนแปลงอ่าดูความจริงเราก็อยู่การเปลี่ยนแปลงตลอดแลแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่รู้จักที่เรียกว่าอานิจจังถ้าเมื่อใดการเปลี่ยนแปลงนี่เราเข้าไปควบคุมเข้าไปรู้จักพัฒนามันได้เราเรียกว่าพัฒนาและเรียกว่าภาวนาคือการเปลี่ยนแปลงจาก บวกจากลบให้เป็นบวกเรือการภาวนาเนี่ยในการภาวนานี้จากลบให้เป็นบวกเราจะต้องมีการเรียนรู้การศึกษาถ้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาการภาวนาของเราก็เป็นการเพิ่มความทุกข์และความอยากตัวเอง การเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังโดยสัญชตาตญาณเนี่ยให้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของปัญญาการเปลี่ยนแปลงด้วยศรัทธาเราเรียกการภาวนาดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันอาศัยกระบวนการขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะผู้ชีน้นําผู้เป็นกิริยาณมิตรผู้เป็นครูบาอาจารย์ ต้องชี้นาอย่างน้อยความถูกต้องตรงนี้ต้องได้50อร์ซแต่ถ้าเราชี้นาโดยถูกต้องเมืงหมดแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้นําไปปฏิบัตินะเป็นผู้นําไปปฏิบัติแต่การชี้นาอย่างถูกต้องแต่ผู้นําปฏิบัติทําไม่ถูกต้อง50อร์ซนเนี่ยเราไม่ได้ เราไม่ได้นําไปพิจารณาเราไม่นําไปปฏิบัติไอ้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือสิ่งที่ได้ศึกษาก็ไม่เกิดประโยชน์นะก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อไม่เกิดประโยชน์เราก็ยังคงอํานาจของความอยากไว้เท่าเดิมนะบางทีเราเท่าเดิมนี่ว่าท่านลดลุไปเอาน้ําน้ําร้อยฉันได้ไง ไม่ฉลาดเพราะนั้นเองเราจะต้องศึกษาโดยละเอียดถีทวนตั้งแต่การกระทำทุกอย่างตาเห็นรูปหูรีนเสียงจมูกรมกลิ่นลิ้นน้ำดกกายสัมผัสนะถ้าหากว่าเราไม่ละเอียดต่อการกระทบเนี่ยปัญญาก็ไม่เกิด น, นะ เท็นตาเห็นและชอบเลยเพราะตาเห็นทำไมชอบเพราะมันสําคัญมันหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเป็นเป็นเราอะ่ะอืมเรามันเกิดมาก่อนหน้ามันไม่มีมันเป็นอัตตาแล้วอ่เพราะนันอัตตาจึงเกิดเมื่อการกระทบเพราะอะไรจึงเกิดอัตตาเกิดความเป็นเราก็เพราะไม่รู้เท่าทันอวิชชาเป็นเหตุแล้ว อทีนี้ตัวอวิชชาตัวเนี้ยมันครอบครองชีวิตจิตใจของเรามาตลอดพบชาติกับกันเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมถ้าโดยการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติมันก็มีอํานาจขึ้นเรื่อยเรื่เรียกว่าอาวิชชาแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องศึกษาเรื่องภาวนาหรือวิชาต้องมีการศึกษาต้องมีการปฏิบัติเมื่อศึกษาปฏิบัติแล้ววิชาหรือการภาวนานี้ก็จะต้องถูก ทดสอบทดสอบและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนแล้วเอามาใช้ว่าเมื่อตาเห็นรูปเราไม่ทันเพราะอะไรอะไรเป็นตัวเท่าทันก็ <c oughs> <c oughs> คือจิตของเราเนี่ยเป็นตัวรู้เท่าทันเพราะจิตเป็นต้นกมเนิดของกายเพราะนั้นการจัดปัญหาจัดการปัญหาเรื่องรูปกับรูปประทบกันจิตก็จะต้องเข้าไปเป็นตัวเรียนรู้ศึกษา เมตตาเห็นรูปถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติภาวนาการเปลี่ยนแปลงอำนาจของอนิจจังที่เกิดโดยสัญชาตญาณให้เป็นการภาวนาให้เป็นธรรมมันก็รู้เท่าทันว่า อ, อนิจตาเห็นรูปตาเห็นรูปเพราะนั้นก็สักแต่ว่ารูปรู้เฉยๆเนี่ยตัวอำนาจของสติสมาธิที่เกิดจากความเพียรได้เกิดจากศรัทธาและปัญญา เขาไปทำหน้าที่ตรงนั้นดังนั้นเบื้องต้นที่สุดจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะขาดศรัทธาและปัญญาในการปฏิบัติเราจะต้องเพิ่มศรัทธาให้สูงเพิ่มปัญญาให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาสัญชตาตญาณให้เป็นปัญญาญาณให้ได้ถ้าหากว่าสัญชตาตญาณไม่ถูกเปลี่ยนเป็นปัญญาญานจิตของเรามันก็จะไม่เข้าไปแก้กปัญหาที่ต้นเหตุนี่คือความยากของมัน ดังนั้นที่เราเน้นการปฏิบัติของเราเนี <c oughs> 네่ยเราก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระศาสนาไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ประโยชน์ของคนอื่นแต่ประโยชน์แก่ตัวเราเองอย่างสูงสุดแต่ทําไมเราจึงละลาละละังทําบ้างไม่ทําบ้าง bank, ขี้เกียจบ้างขยันบ้างพอแล้เพราะเรายังไม่เข้าใจนั่นเองไม่เข้าใจว่าเออเราทําไปทําไมเพราะรายังไม่เห็นประโยชน์อันที่สูงอย่างแจ่มชัด เหมือนเราเห็นประโยชน์ในสมทางฝ่ายรูปทางฝ่ายรูปมันสัมผัสง่ายเข้าใจง่ายแล้วชาชินมันก็เลยรับได้ไหวแล้วก็ทุ่มเทให้เพราะเราคุ้นกับรูปมาตลอดนั้นอันไหนที่มาอตอบสนองที่มันเป็นรูปเราก็สัมผัสได้สัญชาติญาณก็ตอบสนองได้ทันทีตามอำนาจของจำนวนถ้าจำนวนมากก็ตอบสนองได้มาก ความอยากก็เกิดมากถ้าจํนวนมีน้อยตอบสนองได้น้อยความอยากก็เกิดน้อยอย่างเหมือนเราไปรับจ้างเขาเนี่ย เ, เขาบอกให้ว่าละหนึ่งร้อยบาทแต่รู้สึกว่ากรณีแวดล้อมเนี่ยร้อยบาทสมัยนี้มันไม่พอใช้หรอก เ, อเราก็รู้สึกว่างานที่เราจะทำเนี่ยมันก็ลดความเข้มแข็งลงไปเพราะค่าจ้างไม่สมดุลกับงานงานก็ลดยออนผรนลงไป ทั้งจำนวนทั้งเวลาทั้งน้ำหนักและความตั้งใจรถย้อนไปตามคุณค่าที่เราสมมติให้อันนั้นคุณค่านั่นก็เป็นรูปอีกว่าเพศหนึ่งเป็นรูปที่ไปตอบสนองต่ออวิชชาของเราทันท้าุปราธรรมก็เพิ่มขึ้นหรืออาหารที่เราทานเป็นรูปอันหนึ่งกายแล้วก็รินของเราก็เป็นรูปอันหนึ่งถ้ามันมีคุณค่าทางอาสาธะ จำนวนมากจำนวนน้อยอร่อยน้อยแล้วก็มีอาสาถะน้อยความพอใจก็น้อยกินได้น้อยนะเดีพออาสาทะมันมากเราไปเพิ่มให้มันสมมุติว่าพริกเราเคยใส่หนึ่งเม็ดเราไปเคยใส่5 m, เม็ดเไปใส m, นะ่หนึ่งเม็ดเนี่ยคุณค่าและความเข้มข้นมันน้อยเราก็บอกว่ามันไม่เผ็ดเราก็เพิ่มจํานวนไปจากเม็ดเปสามเม็ดหเม็ดรสชาติก็เพิ่มขึ้น มันก็เพิ่มคุณค่าให้แก่ตันหาความอยากก็รุนแรงตามลำดับการปรุงแต่งก็เกิดความรุนแรงขึ้นตามลำดับเพราะเราไปสําคัญว่ารสชาติเป็นเดาแล้วก็ไปปรุงแต่เราถ้าเห็นว่าอาหารนี่เป็นเพียงรูปอันหนึ่งรสชาติก็เป็นรูปอันหนึ่งลิ้นที่สัมผัสก็เป็นรูปอันหนึ่งแล้วมันทําหน้าที่รักษาซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ทําหน้าที่เคี้ยวไปโดยที่ไม่ต้องอยาก ทำหน้าที่ตามตามธรรมตรงนี้ความแยกคายก็จะเกิดขึ้นเพราะไม่มีตัวอาสาทาเป็นตัวล่อแต่มีธรรมเป็นตัวล่อแต่การที่เราจะเกิดสำนึกอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจธรรมมันถึงจะมีผลตามลำดับแต่ถ้าเรายังไม่ดวงตาเห็นธรรมหรือไม่เข้าใจธรรมเนี่ยเราก็ใช้ความสัญญาเข้าไปบังคับใจเอา แต่ใจของเรา น, นเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวมันกลับไปสู่ที่เดิมถ้ามันไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทําใจให้เกิดศรัทธาและปัญญาที่จะทําถ้าศรัทธาและปัญญาท่านอยู่นินสมรมรการยังไม่เกิดมันก็ทําแบบฝืนทําแบบกดทําแบบอยากมันก็ไม่เป็นนิสัยไม่ได้เป็นปัญญา นะแล้หน้าที่ของเราคือจะต้องสร้างตัวสติสมาธิที่เป็นให้เกิดปัญญาี่ยให้มากที่สุดเพื่อให้ปัญญาตัวเนี้ยไปรู้เท่าทันต่อรูปที่มากระทบกันว่ามันคือรูปมันไม่ใช่เราถ้าเปลี่ยนรูปเป็นเราแล้วเนี่ยตัณหาอัตตก็มีที่เกาะเกี่ยวถ้าเป็นเราเป็นรูปเพียงแต่รูปมันไม่มีเรา อัตตาเขาไม่มีที่เกิดได้ว่าอนัตตาเราเรียว่าปรมัติตย์เจะเห็นเหตุผลขั้นตอนของการพัฒนาภูมิธรรมภูมิปัญญาเนี่ยอย่างละเอียดถี่ถ้วนการปฏิบัติที่ก้าวหน้ามีความเข้าใจมีความเห็นอนิสงส์ของการปฏิบัติตามเห็นความเบาพร้อมเหความเบาปลงเห็นความเบาสบายของกายเราก็เพิ่มจำนวนของการปฏิบัติมากขึ้น แต่ถ้าสมมติว่าทำด้วยความไม่เข้าใจมันรู้สึกหนักหน่วงทุกขทับเครียดไม่สบายคิดปรุงแต่งหวยหาอะไรในรสชาติที่เราเคยกินแล้วไม่ได้กินในรสชาติที่เราเคยติดแล้วไม่ได้ติดก็จะเกิดความคิดปรุงแต่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเมื่อไรมีการปรุงแต่งทุกข์ก็ต้องเกิดเป็นหลักของธรรมชาติของมันเมื่อทุกข์ต้องเกิดทางกายแล้วก็ทา พฤติกรรมทางกายไม่เหมาะก็ผิดศีลทุกเกิดทางวาจาใช้วาจาไม่เหมาะก็ผิดศีลศีลก็มีการดักร้อยขึ้นเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งระหว่างศีลกับวิชาหรือทุศีลกับอวิชาเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันแต่ว่าเราเนื่องจากว่าวิปัสนาญาณของเราไม่ละเอียดถี่ทุนพอเราก็เห็นความเชื่อมต่อของ เหตุปัจจัยระหว่างสองสิ่งของสองสิ่งเนี่ยกระทบกันว่าตาเห็นรูปพอสติปัญญามันมาทันเนี่ยมันก็เป็นเพียงแต่รูปไม่เกิดความอยากแต่เมื่อใดบางช่วงเราเนื่องจากการปฏิบัติของเรายังไม่เข้มแข็งวิชาและปัญญามาไม่ทันมันก็ไปเห็นรูปเป็นเราเมื่อเห็นรูปเป็นเราก็ต้องมีรูปของเขาเกิดขึ้นมีรูปผู้หญิงผู้ชายเกิดขึ้นมีสมมติเกิดขึ้นตามลําดับ ความเชอบความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นตามลำดับนี่ถ้าเราให้เหตุอย่างนี้ดังนั้นจึงอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้มาศึกษาปฏิบัติอย่างถูกต้องจะยากลำบากขนาดไหนก็ต้องทำทำด้วยความเข้าใจถ้าทำแล้วไม่เข้าใจเรามีเพื่อนมีกระยิญมิตรมีครูอาจารย์ให้คำอธิบายให้คำตอบแล้วเราก็ลองไปทดสอบทดลองทำอีกแล้วมีครูที่จะให้คาแนะนาอย่างถูกต้องแก่เรา เราไปทดสอบทดสอบอยมันถูกต้องแล้วก็เริ่มได้ผลการใช้ศรัทธาและปัญญาอย่างถูกต้องเรียกว่าโยนิโสมณสสิการซึ่งเป็นห้าสิบเปอร์เซ็ของเราเราต้องทําหน้าที่ตรงนั้นด้วยแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของไก ร, รมิตรว า, ารจันที่ให้ข้อมูลให้การศึกษาเนี่ยห้าสิเอร์เซ็นตเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องขวนควายศึกษา เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าคนอื่นเขาไม่ทําเขายังอยู่ได้คนอื่นเขาไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเขายังอยู่ได้อันนี้เป็นการความคิดความอยากที่ตัณหามาณทิฏฐิมันพยายามหาทางออกให้แก่ตัวมันเองมันก็หาเหตุหาผลมาปรุงแต่งที่มันสมเหตุสมผลมันลักษณะของปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมี ป, ปัญญาของกิเลสมันก็คิดได้แยบคายเหมือนกันมีเหตุผลแยบคายเหมือนกันนะ ตรงนี้แหละที่เราไม่รู้เท่าทันจึงสร้างตัวสัทธาปัญญาที่เป็นสัมมาทิฐิขึ้นมาให้ได้ซึ่งได้กล่าวไบ่อยๆว่าสมาธิฏฐิในผู้ได้ศาสนาเรองให้เห็นว่ารูปนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นเราให้เหตุเกิดทุกข์นั้นมันเป็นรูปมันก็ไม่ใช่เป็นเราให้เห็นอย่างนี้ให้เห็นว่าการดับทุกขนะ์เนี่ยให้เห็นว่ารูป มันก็คือรูปมันไม่ใช่เราและการเข้าไปเห็นเข้าใจอย่างนี้ต้องทำบ่อยๆไม่ใช่ทำแล้วลืมทำแล้วทิ้งต้องทำอยู่เสมอๆจนเป็นนิสัยมันก็สามารถที่จะไปแก้กันได้นี่ให้เห็นอย่างนี้แต่เราเห็นทุกมันเป็นความทุกข์ทรมานมันไม่ใช่ไปเห็นทุกเนี่ยเป็นธรรมเห็นทุกเนี่ยเป็นรูปที่ เป็นเราเห็นทุกเป็นเราไม่ใช่เห็นทุกเป็นธรรมมันก็เหตุของมันก็จะเกิดขึ้นมาเหตุให้เกิดทุกเราแทนที่จะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่แปลเปลี่ยนให้ไม่ทุกได้เราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่พยายามที่จะแปลเปลี่ยนแล้วเขพยายามทิ้งพยายามหนีพยายามออกห่างไม่สู้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นเราเห็นว่าเป็นทุกของเราแต่เราไม่เห็นว่ามันเป็น ตัวการเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่งคืออนิจจังเราก็เปลี่ยนให้เป็นตัวธรรมซะคือการภาวนาแทนที่จะเห็นสมุทัยแล้วเกิดการภาวนาเราเกิดขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดสมาธิทีพราะเราเห็นเหตุแล้วเราตอบสนองต่อเหตุที่เราชอบและปฏิเสธต่อเหตุที่เราไม่ชอบผลักดันต้านนี่คือความแยบคายของ ขับสอนของพระพุทธเจ้าให้นำไปพิจารณาดูนะชงชาวนี้ก็สมควรับเวลาจนะึงอยากจะให้เราได้มีความแยบคายต่อต่อสัจธรรมถ้าเราไม่แยบคายเนี่ยเราจะบวชไปร้อยพันษาก็ไม่มีความหมายอะไรเราจะอยู่เป็นพระชั้นสูง มีอำนาจล้นฟ้าก็มีความหมายอะไรความเป็นนักบวชนักปฏิบัติก็เช่นกันจะมีคนเคารพนักถือทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมืองก็มีความหมายอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไประโยชน์โดยตรงจากการกระทํานั้นดังนั้นจึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้ได้ข้อมูลอย่าถูกต้องปปแล้วนําไปพิจิตรีาฝึกใช้ดูเมื่อเวลาพิจิตรีฝึกใช้แล้วไม่เข้าใจก็ต้องมาคุยมาถามมาสนทนา เมื่อมาคุยมาถามสนทนาแล้วก็ไปพิสูจน์ต่ออีกไม่ใช่ถาม ท, ทิ้งๆคว่างๆนะเขาเรียกการสอบอารมณ์ก็จึงอยากจะให้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้ได้มากขึ้นในพัรษานี้จะพยายามอยู่กับพวกเราอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะพาทำงานหรือพาปฏิบัติก็ตามก็จะเป็นเพื่อนอยู่ตลอดเพื่อได้แนละแนะนำกันอย่างใกล้ชิดว่าควจะทาอย่างไรให้มันเกิดปัญญา ทำงานทำยังไง <c oughs> ให้มันเกิดสติปัญญาทำย่างไรที่มันขาดสติปัญญาเราค่อยๆบอกกันเพก็เป็นการศึกษาชนิดหนึ่งงานไม่ใช่ตัวเป็นตัวอุปสรรคแต่การที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอย่างมีปัญญานั่นคือเป็นตัวอุปสรรคต่อมรรคต่อคนเข้าไปทำงานมากก็ขาดสติมากังนั้นจึงอยากจะให้พิจารณาก็สมควรเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุในะความตั้งใจของพวกเราทั้งหลาย ที่จะนำไปศึกษาปฏิบัติให้ยิ่ ง, งขึ้นไปในการทุกคนทุกท่านถือ